ก็ไม่มีเครื่องขยายรู้สึกว่ามีโยมหลายคนที่ที่ว่านี่คือของจริงเขาบอกว่าการใช้เครื่องขยายพูดอเ ข, ขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบมันไม่สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแม้การเสียงที่ออกมาดังๆไม่เป็นธรรมชาติ ทำให้ไม่ใส่ตัวเขาก็ไม่สู่ธรรมชาติได้ถูกบังคับในเสียงอาต่างๆเสียงก็ไม่แช่เสียงธรรมชาติตเป็นเสียงเป็นเสียงที่สังปุงที่ฟุ้งแตกไปเปี่ยนไป เขาบอกนี่คือของจริงนี่คือของจริงยาชนคนนั่นเขาเป็นพักราจังหวัดเขากเกษียณทีเขามาปลูกบ้านอยู่ในป่าแตเชอบป่าชอบธรรมาชาติได้ยินไหมเนี่ย <laughs> แล่ว้านเกาก็ยังงงใบตองไม่ถามมีเห็ดมีอะไรต่างๆในชาว่านก็ขอเจ็บเห็ดขอเจ็บน้ำถอมป้อมขอเจ็บสมอขอเจ็บผักแล้ชายจบถึงสูงตรงนั้นมาขอส้างบาได้พ่อ พ่อก็มายอมให้ลูกชายสร้างให้เวลาลูกชายพาเพื่อนมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมบ้านก็นั่งอยู่ได้ต้นต้นไม้อะไรต่างๆนี่คือธรรมชาติเอาเพื่อสรรพาตองแลก็ออกสันป่าตองเป็นเอกลักษณ์เอ า, เอาปใบตองมงเอาใบตองถังฝา รถจักรยานเขาตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนก็ทำงานเขาจอดไว้ถ้ถ่ถนนบ้านยังไม่อยู่ยองใชยเราอยู่ดูท่าทางเจ็ดสิบแปดสิบปีแฉงแรง น, นี่คือธรรมชาติที่มันช่วยชีวิตเราได้เราอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็มาอยู่ที่นี่ เรารู้สึกสุ่ธรรมชาติได้ดีความหลก็ไม่ค่อยจะมีทีเช้าเติมขึ้นมาที่สามวัดได้ร้อย 40, 60, 2, 52, สี่สิบหกสิบสองห้าสิบสองจัเรียกว่าปกติยังไม่ไจินยาถ้าจีนยาแล้วก็ไม่ถึงร้อยยี่สิบสามสิบ เราเป็นธรรมชาติช่วยเราเป็นนอนโอเกาะตาธรรมชาติรับธรรมชาติที่ภานอกสนับสนุนให้เราได้อิสระภาพจากภายนอกไม่มีอะไรบังครับยิ่งเราไม่ธรรมชาติาไปหน่อยนี้สติ หรืนลูกต้มไม้สูดธรรมชาติแะยิ่งจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นไปยามกอบโอยโอาทำไมกอบกับธรรมชาตินะดูดดื่มธรรมชาติได้ได้อย่าไปอยู่ที่อื่นสู่ธรรมชาติหายใจในธรรมชาติเห็นอะไร่ป็นนิดเหนโตนไม้ใหญ่ๆก็ถือว่าปู่ย่าตาใหญ เห็นต้นไม้ที่นุ่งมาหน่อยก็ถือว่าว่าลุงเอาอ่ะเห็นต้นไม้ที่พอเป็นพ่อก็ถือว่าเป็นพ่อเราเห็นต้นไม่พอเป็นเพื่อนก็เป็นพอเป็นเพื่อนกันเห็นต้นไม่พอจะเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนยญเป็นหล่นและมีน้ําใจเห็นเขาเหมือนกับพวกกันรู้เลื่องช่วยกันได้โคบ่อกันได้ เด็กนี้เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันได้อะไรก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ชีวิตผู้ศึษกษาปฏิบัติธรรมยิ่งสติ <c oughs> แตติสมวชัญญาก็ยิ่งเป็นลูกผู้ใหญ่ดึงลงมาสู่ปกติธรรมชาติภายในเมื่อสู่ธรรมชาติภายในมากข้า กม็มันมีหลายปุ๋งแสงที่ผิดเพี้ยนไปถ้าไม่มีสติเป็นธรรมชาติซึ่งเปรลอ่อมภายในตาเขาดึงไปหัวเขดึงไปจมูกดิ้นไปใจเขก็ดึงไ ป, ห, งไ ป, งไปหลายลายอย่างก็ขาดกธรรมชาติภายในเราจึงสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาอาเฉลี่ยหลักกรรมฐ า, านอาอสลี่ยหลักกรรมฐ า, านสาธุเจ้า สองสองสองหน่วยอาศัอธรรมชาติหลายส่วนม า, มาทุ่มเทศารเพื่อลกูกตัวสติรรสัมปชัญญะอารเคลื่อนไหวความคิดกางใจตังหูจะหมวกด้วยให้ดึงลงมารวมกับธรรมชาติาไม่มีพลัง ให้มันรามได้ไหวอย่าให้มันแบงใจคนอ่านเราตาถูกแบงก็มีตาตาถ้าไม่เดินมาให้เป็นความรู้จิตตัวมันจะแบงไปวิธีที่เดินมาคือกรรมฐานนี่แเรามีสติไปในกายมก็จะเดินมา หลายหยาพร้อมกับละความชั่วทําความดีไปนในตัวเซ็จสมบูนแบบที่เป็นธรรมชาติเขมาสู่รอมปกติของชีวิตเึงพยายอมอย่าให้สูญเสียวเวลาเรื่องนี้กับธรรมชาติฝายนอกกับธรรมชาติภ่ายในให้มันคุ้นเคย ก็ไม่มีธรรมชาติไปในต้นเคยแล้วก็ธรรมชาติภายนอกก็ไม่เต็มหน่อยช่วยไม่ค่อยได้ดีไม่ดีก็งูไปเลยอยู่ป่าก็เพราะงูอยู่ปา่ปาเพราะเกลียดขามอยู่ป่าเพราะไม่มีปัญญาก็ไปแบบนั้นเลยถ้าเราอยู่ปา่าบบัญชาตินี่มันได้ประโยชน์ แต่ธรรมชาติหลายอย่ก็เสียไปหมดแล้วเสียงสัตว์ส่อเสียงไม่ค่อยมีทุกวันนี้แต่ก่อนมีนะแตเสียไปหมดเสียงสัตว์้องกลางคืนบางทีก็ยังเห็นมามาเล่นด้วยกับเราด้วยหนูแข่งก็เม่นก็ดิ้น ก็เนี้นหายเกินเกินพวกเห็นพวกจะโม้ดบางทีก็ไม่กลิ่นไม่ฉังล้องก่อนเรานอนอยู่แล้วน้ำซับแง่งร้องสีของก่อยกอยกอยก่อยกอยแต่มันเห็นอุ้มบางทีก็ร้องแล้งแล้วแล้วอแจงแล้ว แล้วอย่างนี้พอจะแล้วก็นคนฟังหลอกๆแล้วคนมาเรียกนะที่จริงมันไม่ใช่มันก็มาล่องใส่เราใกล้ๆจริงๆแล้วก็สัเกตดูมันทืลอะไรนะจะบินบินไปมาเถอนะนั่นแต่ตัวใหญ่นั้นว่าอะไรล่ะมันก็มาตื่นขึ้นแนละ้วดีก็ ลิ้มมาเป็นเพื่อนนิ่มลิ่มภาษาอิสานว่าลิ่มภาษาจ้าวว่านิ่มไม่ใช่นิ่มนะนิ่มชื่อนิ่มไม่ถูกต้องนาะมันไม่ใช่นิ่มนะเจ็บมัอนถขงเหมือนเหล็กนะลิ้มเนี่ยนอนหันหัวเสียกอไผ่มันเออหันมาทุ่งหัวเรา น่กน้ง่งูมากรนถอยหลังบหางเดียวมาฉลงมันก็หมเราก็ชนกัอไผ่แต่มันมีมุ้งรว่าเอาขอนอ่อนมมามันมันตกิดกับกอไผ่มันไม่ออกกันไม่ด้หางกันมานดได้มันมินเรียกว่างูหมกอนั่งดูลูกเือนนั่งแต่กวาก็นอนอยู่ มันตมมปุ๊บปุ๊บป่อาวอะไรมากหัวเนี่ยยังไม่ยมันชอบยฟปวดปากปวดปาดูฉันเสด็จดูก่อนเือไหรลุกขึ้นดูก็เห็นตัวดำดำแตมันเยหางมาว่าคงมูมามากรดงกับคำหัวดูก็ไม่ไม่มีอะไรเจ็ปวด วัเด็กกมันเดไม่อ่ถูกเรารนั่งอยู่แล้วเขาก็เต้นขึ้นไปเวลามันนขึ้นบ่โอจุ่เาว่าเป็นเป็นลิ้นาที่แตนแล้วก็มันกลงมาพอลงมาอีกก็ตาลงไปมันหันก้นลงมาเอาหางเดวใส่เรเราก็เปิดมุ้งออก จับผางในมุ่งจับถามมันได้มันขดเข้าไปมันก็ขดหางก็ดึงมาอยู่เลยเปิดมุ่งออกจับมันมาวางไว้เวลานั่งใกล้ทำวัดเราไม่ไม่เห็นเรื่อยเรามไม่จะได้ตกมันไปจะขดอยู่ตอร่านหน้าแสงการเฉิดฉายทำวัดเอาไปทำรักก็อุ้มไปด้วยวางไว้ บันไดอย่างนี้เวลาเก่าสมัยก่อนก็บันไดขึ้นเอาถุนก็ว่าตางคนาทวก็เห็นว่าเป็นของอะไรวางอยู่กลมๆเหมือนกับอะไรก็ไม่สนใจทำวันตำวัมาไม่อเลื่อยออกพานมาลกวนคนโตแตกไปเลยตัวอะไรตัวอะไร แล้วก็ทำวัดเฉยคนก็บอยวาเราไม่สนใจคนเราลู่อะไม่เป็นลิ้มที่เราจับบางๆไปมันหยอกก่อนนะทำน้ำชาสมัยก่อนนะตอนนี้ก็เงียบแล้วเสียดอัดส บ, บางประเภทหนะักกินคืนจอบตางประเหนะักกินกลางวันแต่ก่อนสอบ กับป่าพวกช้างพวกหวางพวกหมูเนี่ยหาชิ่งั้งวันแต่คนไม่มากพอคนมากขึ้นก็หาชิ่งขึ้นธรรมชาติคนนี้หมดไปแล้วสถานกรรารณไม่ค่อยสนุกเหมือนเมื่อก่อนแต่ อ, อากาศเย็นเย็นเงียบเงียบ น, น, นอนเราจัง ก็อยอม่ห้ถึงเกื้อก็าธรรมชาติฝ่านอกฝ่ายให้ได้อาธรรมชาติป่าโนอกมาฝึกฝ่ายในยมันคิดหลายมากกบอกตัวเองว่าดูต้นไม้เด็กเดืนอยู่นี่ทั่วนาตาปีเขาเห็นเดือดร้อนอะไรแดดมาคนเดนอยู่นี่ฝนมาก็ยืนอยู่นี่มาส อ, <c oughs> อ, อนตัวเราก่อนหินบ้าง อาาเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสตประสริฐต้องประสริฐต้องดีกว่าต้นไม้ก็เห็นนี่พัฒนได้อะไรไม่ดีเราลู่ได้อะไรดีเราลู่ได้ถหัดตัวเองให้ตามาวิชากรรมฐานาเรียนก่อนเกิดขอเกิดโดยก่อนสู้ฉันเข้าเหยียดฉันออกสู้ฉันเข้าเหยียดฉันออก รู้จกตัวเหมือนเรากับเรือนังสือตาดูกดดานมือหัดเขียนชินเข้าเชินเข้าก็เขียนได้รู้จักจำได้ติดกันได้ต่อตาคนมันพัฒนาได้ตัวหนังสือมาเป็น ร, รมพูดม็เป็นภาษาเขียนสื่อสารกันได้รู้ความหมาย รู้เรื่องรู้หลอมบอกสุดบอกทุกหลอมมาเปิดชีวิตของเรานี่ก็เช่นเดียวกันออกไปเมื่อเปิดกิเรกก็เหมือน ก, ก, กับเรียนหนังสือขนอดรุบาญให้ประทุนอาศัยชวนประกอบต้องดูต้องสัมผัดดสดูเฉยเฉยไม่สัมผัดดสก็ทำไม่เป็น เกิเยงาแรก็ม่อยากจะเสียนพระจะเชิ น, น ว, นนมมวนนนนันสพอหาเชิญไปเชินงามก็คงเคงเกิเสียนเป็นเสียนสวยเสียนงามลูกเียนถูกด้วยการฝึกตนสนตนนำวิชากรรมฐานก็เหมือนกันมีสติประในการอาศัยการเคลื่อนไหวตรันหลงกลูก เพราะมันเคยรู้อยู่แล้วมันก็ต้องเห็นตัวที่ไม่ใช่ความรู้เกิดขึ้นจกระจายก็ได้ใช้ความรู้ไปเฉลยดเห็นมันหลงเห็นมันหลงนี่ได้แล้วเห็นหลงไปไม่หลงนี่แสดงว่าเือนชั้นนอกจากนุบนได้แล้วเ็นมัทธยมไปแล้ว เ ห, เหมอนมันหลงให้เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงอาจจะเป็นชัดอุดมไปก็ได้สํานานมากขึ้นสํานานมากขึ้นเลยจบห่าเรื่องนี้จบเรื่องที่เคยเป็นมันก็จบได้มีแต่ลู่แต่ลู่ลไปเมืนคนมีปัญญานี่ใช่ปัญญาไม่ต้องถืออะไรเตยทำมาหากินมืนคนมีปัญญา ทำงานใ้ปากกาเล่มเดียวปักกระเป๋าเชื่อไปก็หาเงินได้แต่คนไม่มีปัญญาก็อเอาใส่รถไปเรื่อยมีคนมีอะไรต่างๆผลไปที่จะทำงานได้คนมีปัญญาทางปริญญาทางจิตปัญญานี่ มันไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่อยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องพลุงพลหลังภาละหนักไม่ต้องไปคิดไปอ่านเอาเหตุเอาผลเขียนขีดมันมันเนปนเ็นแล้วมันมเป็นแล้วมันมาอะไรก็เป็นแล้วมันก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วในโลกนี้ในกายในใจรู้ทั้งหมดไม่มีคาําว่า ทำไมอะไรไม่ได้แต่หัวเลาร่องให้เป็นเรื่องที่เกิดกับตากับใจไม่ได้แต่ตเป็นสุขเทุกข์เป็นเรื่องที่เกิดกับตากับใจไม่ได้เกิดขีดเลญหาชิ้นเรื่องที่เกิดกับตากับใจเพรามันรู้แล้วมันเก่ามาเลยปัญหาพรากเรื่องทุกข์เรืรรเรรร่องโกดโลกหลงมั <c oughs> นกาเรียนจบก็เป็นอย่างนี้ หวัวข้นี้ปัญญาลู่แล้วลู่แล้วปัญญาพุทธะหนึ่งตนอย่างนี้คือลู่แล้วเลียนจากผูล้ลู่ได้ลู่แล้วหวัวข์ปัญญากนดัญญะอัญญาสีอัญญาสีคือลู่แล้วนะลู่แล้วนะพระเจ้ า, าอุทธรณ์ลงมา อัญญาสีพุทธโพกนตโยอัญญาสีพุทธโพกนตโยรูเล้วเน้อรูเล้วเน้อรูเล้วเน้อรูเล้วเนอรูแล้วรูเล้ารูเล้านี่อะไรเกิดกับการเกิดรูเล้าโอ้ยแร่คนแก่คมเจ็บคนตายก็รูแล้าตัวรูวาวาใจรูแล้าเนี่ยเล้ยวไปเล้ยวไม่ได้มีตอนมานไม่มีมานมีภัยอะไรเหมือนคนเนียนจบ ปัญญาแล้วตอร์ชำนันในความว่ารู้แล้วทิ่เมืเกิดกับากับใจนี่ไม่มีอันอื่นเกิดขึ้นมาอันเรื่องเดียวเท่านั้นแม้ว่าชิเลตพันห้าตนาร้อยแปดแล้ก็มีเท่านี้คือรู้แล้วเท่านี้แล้วถึงต้งเรียนนั้นเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไหมแต่เรียนไม่ใช่ตการเรียนจากผู้รู้็คือในตัวเราเองผู้รู้มันอยู่ที่ไหน ให้เหมือนเดียนหนังสือผู้ลูกต้องเม่นครูยืนหน้ากระดอนนี้เขียนเราต้องดูกระดอนมีคำพูดให้ฟังแต่ว่าผู้ลูกที่เป็นพุทธะนี่อยู่ในตัวเราประกอบขึ้นมาได้ถ้าไม่ประกอบก็ไม่มีประกอบก็คือกรรมฐานวิชาประกอบให้เกิดผู้ลูกขึ้นมาเลยชีวิตเราเป็นตัวประกอบ กรมคือการประกอบขึ้นมาถาน ท, ที่ตั้งการกระทาคือกรมมาจับจะนตัเองจะเริกคู่แขงเข้าแยากฉนหลออาศัยกายอาศัยนิมิตอาศัยกายเป็นวัตถุประกอบเป็นนิมิตเอามาประกอบขึ้นมาถ้ามันเป็นแล้วก็ต้องอาศัยมาายยันกายนี่มันีความรู้แล้วอาศัยที่อาศัยกายอาศัย จิตใจที่เป็นตัวรูปเป็นนามให้เึงนที่ตั้งความรู้ที่เลือกต่ก่อนมันไม่หยุดตั้งความรูปไปในตั้งที่การที่ใจมันหลัเป็นงานของเราร้อมหลงตั้งไว้ก็ได้มันใช่ปิปลาปีจุดสามสิบปีใช้คิดม า, ด ม, ามันก็มีอะไรหลาลาวอย่างสองสอนปาเทียน ความเรู้ความหลงสิทธิ์ต่งางๆความรักความทางความพอใจไม่พอใจอาจจะอยู่ก่อนความรูจ้จากตัวมาก จ, จึงความหลงวัตถุมากกว่าความรู้ด้วยเพราะไม่เคยฝึกพ <c oughs> อมาฝึกก็ได้ประสบการได้บทเรียนจากสิ่เหล่านี้ ว่าที่ทุกข์แท้เทนี่ยทำไมเป็นพุทธเจ้าได้แต่ถ้าไม่ึกทุกข์ก็เป็นทุกข์หลงก็เป็นหลงกก็เป็นกู๋พาฝึกแล้วหลงก็เป็นพุทธะรูกขึ้นมาอะไรก็เป็นรู้ขึ้นมามันก็ได้ประโยชน์จากจุนเห่านีอยาไปถือว่ามีปัญหาให้เป็นสูตรด้วยจิตจา ได้ศึกษาอะอรก็ตามเป็นหลักสูตรของการรู้ทั้งนั้นการจูการจินอาหารการจินเป็นสูตรสูตรความรู้ออกมาเป็นหลักสูตรให้เกิดความรู้ความรู้ที่เป็นพุท ธ, ธานี่มันเป็นสูตรทั้งหมดในกายในใจเรานี่ไม่ได้ไปเรียนที่ไหน หลายอย่างเป็นหลักสูตรแหงความรู้อ่านการจินที่ว่าสายเครื่องนุ่งห่มการไตกัรมาพิเรทะหาราคาโกรธโลกหลงเป็นหลักสูตรแห่งความารู้จะให้็นอื่ น, น, น, น, นตายผู้จิญจ๋าต้องทำแบบนี้นี่ที่เร า, าจิญจ๋าอยู่ด้วยใจนะนี่นะักปฏิบัดิถาม วันนี้หนูมันเป็นไหไแล้วมันพุ่งซ่อนมากที่จุดอ้อไปเดือดร้อหนหลไรละนั่นแหละทู่แทงไม่มีความพุ่งซ่อนก็มันมีความสงบนั่นแหะไม่ใช่ตัวเราดองนั้นละไม่ใช่หนูเป็นผู้ พ, พุ่งซ่อนนั่นแหละนั่นเป็นอาการเกิดกับจิตใจคิดมากนั่นแหละนั่นแหละคู่ซุกคู่ซ้อมนั่นแหละ บทเรียนที่ดีประสบการณ์ที่ดีแต่มันเพิ่งสร้างลงไปจะได้รู้มันเอามาสงบก็จะได้รู้มันหวานชูก็จะได้รู้มันมันทุกก็จะดูมันเป็นสูตรทั้งหมดตอนเึกคู่รู้ภาวะที่รู้ให้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมันได้ไปเอาอนหรืมาแฉเหมือนก็เจ็บคไข้เด็กป่วยจนโรคคนเราเชื่ออ้อนแล้ยานคนละขนาดกัน แต่ว่าศึกษาเรื่องพุทธะเนี่ยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนไม่แต่ลูล่ภูรูจังนั้นอาที่อยู่ในพบอยู่ในตัวเราเนี่ยพย า, ายามใช้ชีวิตให้มันสอดทั้งกบบธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยนี่แล้วก็พยายามเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันให้สูธรรมชาติอะต่างๆที่เกิดขึ้นมา ลงที sea, ่ตรงนี้มาลงที่ตรงนี้ลงที่พระวติตดูให้วองไว้ให้ปักไว้ให้หมาดได้ใปลูกไว้ปลูกพืชโพธิคือพระวจิตููนี่ปลูกลงไปในธรรมชาติปลูกลงไปธรรมชาตินอกตัวในตัวโพธิเป็นหน่อต้นกล้าปลูกลงไปปลูกลงไป มันก็จะต้องงอกงามขึ้นมาในวันหนึ่งเป็นโพธิปัญญาแห่งการตัดสู่บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นวดเรียนจากที่สิไม่ดีนั่นแหละอย่าไปเอาวังเป็นปัาไปจากอะไรอย่าว่าหนูเบี้ยเงนหนูเบี้ยนี่ชีดิตนั้นจะค่ได้ป่วยสุขภาพไม่ดีไม่เกี่ยวเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวคนแจกคนเท่าไม่เกี่ยวเลยผู้รู้มีทุก โอกาสกับชีวิตเราที่มีรูปในนามนี่ถ้าไม่มีรูปในนามมันไม่มีผู้รู้จึงบูกลงไปมาต่อยอดหลงผองไปต้อให้อาจารย์ตุ้มไปพูดนังพาทาารย์ศึกษาต่างๆตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวหนึ่งที่จะต้องตุ้มเทมาสีบตัวเราแม้คนจะพูดอะไรวิธีกรรต่างๆ แล้วก็คือตัวเรานี่วงังได้รู้ได้คนเรียน้วทุกอย่างได้ยินป่เ <c oughs> กกริ่มก็เจ็บและอยากพระพ่อเหมือกัน